บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่มุ่งขัดเกลากิเลสให้เจือจางเบาบางลงไปโดยลำดับนั้นจะมีวิธีการสรงจำแนกแสดงไว้โดยนัยาต่างๆเป็นอันมาก แต่เมื่อเราเปล่าโดยโครงสร้างแล้วจะใช้ปัญญาเป็นหลักก็ใช้ศรัทธาเป็นหลักในกรณีใดที่คนไม่มีปัญญามากพอที่จะแยกแยกแ ะ, กำำะแล้วก็น้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติก็ทรงสอนในรูปของการเสริมสร้างศรัทธาขึ้นไปคือให้อาศัยศรัทธาเป็นหลักไว้ก่อน และจากศรัทธาที่เป็นหลักนั่นเองแล้วก็มีอาการของปัญญาข้าวคำจุนสนับสนุนอยู่เพราะในการใช้ศรัทธาเราต้องเชื่อบุคคลเรื่องกรณีที่ควรแก่การศรัทธาหมายความว่าปัญญาจะพิจารณาในตัวคนตัวแหล่งที่มาของสิ่งที่เราจะเชื่อ เช่ผลจากธรรมะปฏิบัติเป็นนั้นมากที่เราไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือไม่จริงในเช่นการพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์เราเองก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่จริงพูดชาติหน้าชาติต่ อ, ต, อต่อไปเราเองก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่จริงในกรณีนี้เราก็ใช้ปัญญาพิจารณา เห็นพระคุณของพระพุทธเจา้าคือปัญญาคุณบริสุทธิคุณมากุณาคุณของพระองคและมองดูคำสอนในเรื่องเหล่านี้ก็เห็นว่าทรงแสดงสั่งสอนเอาไว้ก็ทำให้เราพร้อมที่จะงดเว้นทางที่เป็นไปเพื่อนรกและประพฤติปฏิบัติชีวิตไปบนเส้นทางแห่งธรรมะที่จะนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ถึงแสดงว่าเราใช้ศรัทธาจริงแต่เราก็มีปัญญาเข้าสนับสนุนอยู่ไม่ได้หมายความว่าข้าว่ายังไงก็เชื่อไปโดยขาดการกันกรองการพิจารณาตรวจสอบไปดีเสียก่อ น, ยนอย่างน้อยก็ตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของสิ่งที่จะน้อมใจเชื่อหรือไม่น้อมใจเชื่อให้ได้ในบางการี ก, ก็ใช้ปัญญาเป็นหลักได้ อย่างเช่นสอนพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายการพลาดพลาดสูญเสียที่จะต้องเกิดขึ้นใบชีวิตทุกชีวิตตรงนี้มีประจักษ์พยานหลักฐานบุคคลแม้แต่ตัวเราเองก็พบทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายทั้งการพราดาแม้ความตายือการแตกทำลายในชีวิตของเราไม่มียังไม่มี แต่เราก็เห็นคนตายหรือสิ่งที่ใกล้เคียงกับเราตายเห็นสัตว์ตายลเลนบางส่วนในร่างกายเราตายไปตัวนี้ก็ง่ายต่อการเข้าใจแต่การจะปรับใจให้ยอมรับความจริงจนโปรงตกในอารมณ์ทั้งหลายกลับเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะเรามีอัตตานนทิิ คือความเห็นที่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่และมักจะหลงประเด็นของชีวิตประตัวตนนั้นเที่ยงแท้ยั่งยืนแม้ตัวร่างกายจะไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนก็ตามเพราะปะัญหาตรงนี้จึงกลายเป็นสนิมใจเป็นเครื่องปูกมัดใจโคนเอาไว้วิธีการของพระพุทธเจ้าก็คือมุ่งขัดเกลากไปเรื่อย และสิ่งที่ขัดเกล่านั้นผึงสังเกตว่ามันจะมีการลดไปทั้งโลภโทสะโมหะอย่างในกรณีที่กล่าวกันมาโดยลำดับนั้นก็คือเรื่องของอวิชชาที่เป็นรากงาวของกิเลสทั้งหลายแต่ธรรมะที่ทรงสั่งสอนก็มุ่งที่จะขัดเกลวตัววิชาซึ่งหมายความว่าถ้าอาวิชชาลดลงไปได้ ความรู้เห็นตามความเป็นจริงในบางเรื่องก็เกิดขึ้นมาได้และจะเพิ่มปริมาณความรู้เห็นความเป็นจริงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำารงชีวิตโดยการลดของความโลภความกความหลงตามไปราอนี้ถึงสังเกตตัวอย่างของการสแสวงหาปัใจจัยในการดำารงชีวิต ซึ่งก็มีพร้อมทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงและพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อได้มาเพื่อครอบครองเพื่อเป็นเจ้าข้าเจ้าของสิ่งเหล่านั้นเรามีพระวีพรกเจ้ า, าทรงเรียบเรียงเอาไว้เป็นถึงสิบสองระดับด้วยกันแต่เราเห็นถึงความเข้มข้นของโลภของโทสะของโมหะของมันจางลงไปเรื่อย เป็นบุคคลประเภทหนึ่งมีการสแสวงหาปัจจัยสี่ในการปรงชีวิตด้วยความผุนขันรุนแรงไม่คำดึงถึงพิติกรรมในการได้มาขอให้ได้ทั้งนั้นแม้บนเส้นทางของการสแสวงหาจะมีการทุจริตชกโกกหลอก ล, ง ล, ลวงหลอกลวงคนจนจนต้องฆ่าคนเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวต้องการคนเห ล, ล่านี้ก็พร้อมีจะทำ นช่วงหนึ่งซึ่งเราเห็นเป็นความรุนแรงของความโลภ ค, ความโกรธความหลงแต่บาทีพอได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาในทางที่ไม่ชอบไม่ควรแล้วคนเหล่านี้ก็ปนปลือตัวเองสแสวงหาความสนุกสนานโดยการกินการอยู่การเชี่ยวการเพลิดเพลินในการมากุศเราเห็นภาพของบุคคลที่ไปรักขโมยเข้ามา เ, าเงินไปเที่ยวบาร์เที่ยวครับ อยู่เล่นการพนันข้าวปอนข้าวซองแล้วก็ไปประกอบอรรยากาศในสถานศีกนั้นสแสดงว่าในขั้นของการสแสวงหานั้นเต็มไปด้วยโรคโกดหลงในขั้นของการบริโภคก็มากบริ้วยโรคปวดหลงแล้วก็เพิ่มปริมาณของความโรคปดหลงขึ้นแม้แต่ตัวเองก็ไม่เลี้ยงดูแม้แต่ครอบครัวลูกหลาน พันยาสามีก็ไม่มีการแดงดุแสดงว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแก่ใครเป็นการได้มาด้วยบาปอยู่ด้วยบาปทรัพย์สมบัติเหล่านั้นสิ้นไปด้วยการกระทบบาปเราก็เห็นอาการของความโลภโกร่งในการใช้จ่ายทรัพย์ในการริภพทรัพย์สมบัติเหล่านั้น แต่คนอีกประเภทหนึ่งมีการสแสวงหาด้วยความผุนผันรุนแรงไม่คำนึงถึงวิธีการในการได้มาเช่นเดียวกันแต่เมื่อได้มาแล้วก็รู้จักว่าควรจะจ่ายหรือไม่ควรจะจ่ายแต่คงจะมีการปลนปลือตัวเองบำรุงบำเรอตัวเองให้ความสุขแก่ตัวเองไม่ได้มองคนรอบข้างอยู่ เทียกับประเภทแรกมันก็ดีกว่าประเภทแรกเพราะอย่างน้อยในชั้นของการบริโภคก็ไม่ได้เพิ่มบาปมากเกินไปต่ภายในครอบครัวก็ขาดความอบอุ่นเพราหวหน้าครอบครัวได้เงินทองมาแล้วก็ไม่รด้แลวใจใสคนในครอบครัวบุคคลประเภทที่สามแสวงหาด้วยความผุนฝันรุนแรง เมื่อได้มาแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวก็แสดงเห็นว่าอาการ โ, โรคโกดหลงที่แรงก็คือแรงในการแสวงหาแต่ตอนได้มาแล้วไม่ค่อยเพิ่มความโรคความปวดความหลงรุนแรงเกินไปแต่แน่นอนว่าเป็นการใช้สอยบริโภคทรัพย์สินเงินทองเลยเป็นกลายเป็นเนื้อบาปหนังบาปขึ้นมาบริโภคสิ่งที่เป็นบาป แต่ก็ยังมีกว่าคนอีกสองประเภทแรกแต่คนอีกประเภทเนึ่แม้จะมีการแสวงหาด้วยความรุนแรงดังกล่าวได้มาแล้วบโพกเลี้ยงดูครอบครัวและตัวเองให้ได้รับความสุขแต่ก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์เหล่านั้นสร้างสมบุญกุศลเอาไว้ รอยแสงสว่างคือวิ ช, ชาที่เกิดคือวิ ช, ชาที่เกิดขึ้นมันก็เกิดไม่มากเป็นการมองชีวิตอยู่เฉพาะปัจจุบันตานองที่พูดกันว่าคนเราเกิดว่าคนเดียวตายคนเดียวพวกนี้จะไม่คํานึงถึงชีวิตในการผายภาคตาเพราะการแสวงหาความสุขโดยการไมปพวกใช้จ่ายทรัพสมบัติในชีวิตประจําวันนั้น เป็นการให้ความสุขในเฉพาะในปัจจุบันตัวบัตเรเหล่านั้นเป็นโล ก, กียรทรัพย์เป็นทรัพย์ของโลกจะมากหรือจะน้อยเราก็ไปพวกใช้สอยเฉพาะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่าตายไปแล้วก็นำไปไม่ได้เราก็แสดงให้เห็นถึงว่าการมองนั้นอย่างแคบช่วงการมองก็สั้นหรือมองแค่าัดเดียว จึงมีคนในกลุ่มหนึ่งที่แม้จะสแสวงหามาในทางที่ไม่ชอบทำได้มาแล้วเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูตนเองให้ได้รับความสุขแต่ยังมีน้ำใจโอบโออมารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นใช้ทรัพย์ในการบำเพ็ญบุญสร้างสาธารณกุศลต่างๆก็แสดงว่าแม้จะได้มาในทางที่ไม่ชอบทำ แต่ก็ความรุนแรงในช่วงหลังมันก็ลดแผลล่วลงนำสิ่งดอนนั้นมาเลี้ยงดูตน เ, เรี้ยงดูครอบครัวแล้วก็บำเพ็ญบุญเป็นการสร้างประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนในปัจจุบันด้วยในฝ่ายภาคหน้าด้วยแต่ก็มีปัญหาในชั้นข้อการบริโภคในชั้นของการสแสวงหาแต่เติก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่ง สามารถควบคุมในการสแสวงหาได้เป็นการสแสวงหาในทางที่ชอบที่ควรอยู่ในกรอบในกฎเกณฑ์ของความถูกต้องดีงามทั้งทางกฎหมายและศีลธรรมเราแสดงว่าไม่มีปัญหาในจุดนี้อาการความโรคความโกรความลงไม่แรงในจุดนี้แต่พอได้มาแล้วปรากฏว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่ยอมเลี้ยงดูครอบครัวครอบครัวไม่ยอมเลี้ยงดูตนเองเก็บสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้อย่างที่โบราณท่านใช้กันว่าเป็นปู่โสมข่าวทรัพย์เป็นเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยแต่ตัวเองเป็นอยู่ด้วยความลำบากแร่งแค้นนั้นแสดงถึงอาการของอวิชชาที่มันปรากฏในการดูแลควบคุมทรัพย์สมบัติ ใครแต่ต้องไม่ได้ก็เกิดโทสะเราเห็นอาการของความสนิทความโรคความขวงที่คุ้มของทรัพย์สมบัติเ่านั้นเอาไว้ซึ่งเราจะเห็นอาจจะเห็นอาการของสัตว์ดิบชาต่างหลายเช่นหมูเวลากินอาหารในรางหมูตัวที่โตนั้นจะไม่ยอมกินอาหารของตัวในตอนแรก แต่จะไปแย่งอาหารของคนอื่นของตัวอื่นแล้วก็ดันตัวอื่นพอกินของตัวอื่นหมดแล้วก็กลับมากินของตัวเองของคนอื่นคนอื่นก็ตัวอื่นตัวอื่นก็ไม่ได้กินของตัวเองก็ไม่ให้ตัวตัวอื่นก็กินนั่นคือความคิดแบบหมูเป็นอาการของโมหะเป็นอาการของโลภะเป็นอาการของโทสะที่เราเห็นกระทบกระทั่งกันตลอด มีโลภะตกราตะกรามในอาหารจนร่วงกาไปที่อาหารของคนอื่นในขณะเดียวกันก็มีโทสะในตัวอื่นตัวเองไปแย่งอาหารเขาแล้วเมื่อเขาไม่ยอมก็เกิดโทสะในเขาภาพตอนนี้เราจึงเห็นเมื่อก็โจรที่มาปล้นทรัพย์สินของชาวบ้านเขาทรัพย์สินของชาวบ้าน โดยมาปล้นเขาเขาไม่ยอมบอกเขาไม่ยอมให้ก็เกิดโกรธบางทีก็มีการทุบตีบางทีก็ฆ่าจนสั์นั่นคืออาการของโลภภาโทสะโมฆะที่ปรากฏเป็นพฤติกรรมของบุคคลทั้งหลายพรนภาพเหล่านี้จึงกลายเป็นชีวิตที่มากไปด้วยปาา แม้จะดีในช่วงการสแสวงหาช่วงในการได้มาแต่ก็มีปัญหาในช่วงการครอบครองทรัพย์สมบัติคนนี้ท่านสาธารหลาดคงนึกออกความคิดของคนระดับที่เรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์คือก็ต่อมาจะตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมีความคิดเรื่องทรัพย์ทั้งสามพวง คิดถึงช่วงของการแสวงหาช่วงของการได้มาช่วงของการครอบครองช่วงของรบริโภคใช้สอยแล้วหาประโยชน์ได้ทุกเรื่องช่วงในการแสวงหาจะอยู่ในกรอบของความถูกต้องดีางามและสิ่งที่ได้มานั้นจะยินดีเท่าที่ได้และการได้นั้นจะต้องได้มาในทางที่ชอบทางแม้จะมีจำนวนมาก แต่ถามก็ได้มาในทางที่จะไม่ไ ม, ไม่ชอบทำก็ไม่ยินดีไม่ต้องการแล้จากหลักตรงนี้เราจึงพบว่าทรงบัญญัติกำหนดวางเอาไว้ในเรื่องของศีลข้ออาทิตนาทานซึ่งกระบวดการเรื่องชีวิตของคนก็สิ่งที่นำมาบริโภคใช้สอยหรัรบของจะของนั้นจะต้องมีที่ไปที่มาที่ชัดเจน ไม่ใช่ไปรับไปขโมยไปหลอกลวงไปต้มตุนคนอื่นมาถ้าเป็นเช่นนั้นก็รับไม่ได้และถ้าหากว่าใครยังรับอยู่ก็ถือว่าเป็นยิจฉาจิตสำนวนทางพระวินัยทรงเรียกว่าอเนสนาคือการสแสวงหาในชังที่ไม่ชอบไม่ควรแต่ระพิจเตรนั้นถือว่าบาปสมาจารคือการพืตการกระทาที่เป็นบาป เป็นการบริโภคปัจจัยในการดำรงชีวิตอย่างมีความเศร้าหมองการเพิ่มบาปไปแก่ตัวเองดังนั้นทั้งหมดที่จริงแล้วจะส่งสอนไว้ในรูปของสีในรูปของธรรมะก็จะมีแนวเดียวกันคือให้โลกโอหงมันลดลงไปและในคนชุดนี้เองในการสแสวงหาเขาอาจแสวงหามาในทางที่ชอบที่ควร เมื่อได้มาแล้วก็นำบริโภคใชส้สอยดูตัวเองแต่ไม่เรียกดูคนอื่นก็แสดงว่ามุ่งลนปลือตัวเองเฉพาะปัจจุบันเยียแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีปัญหาสองข้อแรกดังกลาง่กลาวแต่ว่าเพิ่มความดีงามขึ้นมาไว้ความมาได้แล้วเนี่ย ส่วน ห, หาไม่แนาะทางที่ชอบทำส่วนหนึ่งก็บริโภคใช้สอยเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวเก็บกอมอมาไว้ให้ความสุขในชีวิตปัจจุบันแต่ก็นำส่วนหนึ่งไปแจกแบ่งเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นเป็นการบำเพ็ญบุญซึ่งหมายความว่าโลกกระท์การมองโลกกว้างออกไปอย่างที่สุมเมศ ดาวบทหรือสุเมตมนกซึ่งเป็นชาติอดีตของพระพุทธเจ้าในอดีตการนานไกลท่านได้รับทรัพย์สมบัติมาสามชั่วคนหรือตั้งแต่ทวดมาการสืบตะกูลมีลูกทนอยู่ตลอดพระง้นทรัพย์สมบัติก็ตกอยู่ในสายคนเดียวทำให้เป็นกองสกย์ที่มหาศาล เมื่อบิดาตายไปแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับทรัพย์ก็เสนอบัญชีรายชื่อของทรัพย์แต่ที่ท่านจะดีใจท่านตกใจว่าทำไมบรระชุนของเราจึงเก็บสะสมทรัพย์สมบัติเ่านั้นเอาไว้มากมายที่เกิดแล้วตัวเองก็ชิ้งให้เป็นภาระแก่เราท่านก็คิดอย่างคนที่เป็นพระโพธิสัตว์เขาคิด ท่าบอกว่าท่านจะไม่รวบรวมทรัพย์สมบัติไม่บริโภคใช้สอยทรัพย์สมบัติเหล่านี้จริงๆท่านไม่มีปัญหาระดับการแสวงหาเพราะคนอื่นแสวงหาให้มาแล้วแต่ท่านจะมีปัญหาในด้านาการครอบครองการบริโภคใช้สอยเพราะยังไงยังไงก็ตามจะก่อให้เกิดอาการคล้องติดยึดติด อยู่ในทรัพย์สมบัติในตำแหน่งหน้าที่การงานในสถานะต่างๆทางสังคมและเมื่อประกอบอาชีพลงไปก็จะต้องเพิ่มบาปเป็นอเนกนันต์นนขึ้นมาอีกเป็นอันมากนี่นนดแสดงว่ามองไกลแล้วไม่ใช่มองระดับสะสมบุญเอาไว้เป็นที่พึ่งพํานักในโลกหน้าแล้วเป็นการมองอีกระดับถึงเป็นรูปของการสร้างบารมีธรรม เพื่อผลที่เกินสวรรค์คือนิพพานพระนั้นจึงสละทรัพย์สมบัติตหล่นั้นแจกแบ่งให้แก่ข้าทาสปริวาลให้ตั้งโตัวเป็นหลักเป็นฐานกันไปแจกแบ่งแก่คนยากจนขัดสนาน า, ามอบให้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินคือถาวายแก่พระราชาเมื่อการทรัพย์สมบัติหมดแล้วท่านก็ออกปวด เราเห็นว่าการกระทาตรงนี้มันเลยสวรรค์เลยแนวคิดต่างๆที่ยกมาเป็นตัวอย่างในตอนตอน้นนั้นแสดงให้เห็นถึงความลดไปของคำวิชาจะถามยังมีความโลภไหมคนเป็นนันมากที่พูดมาในตอนต้นก็นยังโลภสวรรค์อยู่ก็แสดงอย่างโลภ แต่ว่าสุเมตดาบ ท, ที่จริงก็ยังโลคมรรคผลนิพพานอยู่ไม่ถึงกาะลโะกรธโลคโกดหลงทั้งหมดแต่วควบคุมทิศทางของความโลคโกรธหลงได้เพราะนี้อย่างที่พระเจ้าทรงอุปมา ค, ความโลคโกรธหลงในวรูปธาตุสะโมหะหรือร า, าธาตุสาโมหะว่าเป็นเหมือนไฟการพูดกิเลสว่าเป็นไฟนั้นพูดในแง่เผาลนทําลาย เ พ, เพราะไร้โรคไฟนะั้นท่งใช้เช่นไฟคือยานแสงสว่างคือปัญญาสแสดงว่าใช้ได้ทั้งสองแนวแต่เราพูดถึงแสงสว่างที่สองให้เกิดความสว่างขาจัดความมืดในคนเราเห็นถนนลนทางต่างๆที่เราจะอยู่จะไปจะทํางานมันก็กลายเป็นเรื่องของกุศลธรรมแต่ถ้ามองในแง่เผาทําลายความดีงามทั้งหลายเราก็พูดในแนวของกิเลส แต่ลืมว่าเผาทำลายบางทีมันเผาขยะเผาสิ่งสกรปรกด้วยไฟคือยานจึงบางทีก็พูดในแนวของเผาเช่นความเพียรที่เผากิเลสให้รอดก็แสดงว่าที่ใช้ในกรณีนี้ใช้เรื่องการเผาเหมือนกันแต่เผาเฉพาะความชัว่วไยที่เผาสิ่งดีงามทั้งหลายถ้าหากว่าเรา ลดลงไปได้สิ่งดีงามเหล่านั้นก็คงอยู่แต่ถ้าลดไม่ได้หรือคุมไม่ได้สิ่งดีงามก็ถูกทํหลายไป แ, แม้แต่เราเองก็จะถูกทํหลายตามไปปั้นไฟที่เราเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและกํานยประโยชน์ให้แก่เราได้ก็คือไฟที่เราคุมมันได้รูสังเกตว่าแนวของศีลสมาธิไม่ใช่แนวของการหมดกิเลส แต่เป็นแนวของการคุมกิเลสลดความรุนแรงของโลภะโทสะโกาด อ, ออกไปเจ้าคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งแสดงความเจือจางของเบาบางของอวิชชาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการสแสวงหาสแสวงหามาในทางที่ชอบทาเมื่อได้มาแล้วก็บริโภคใช้สอยเลี้ยงดูเก็บอบเอาไว้แล้วก็ ยังดูตนเองยังูครอบวแล้วก็บาเพ็ญบุญก็แสดงว่าสร้างทางให้เกิดความสุขความสงบในปัจจุบันแล้วก็ในการ่ายภาคหน้าบุญก็กลายเป็นที่พึ่งของขาในการพายนาจนถึงก็ออกมาในรูปของการสร้างสมบรรมีดังกล่าวแต่พะถึงจุดหนึ่งทุกกระบวนการของการแสวงหาการ ได้มาการบริโภคใช้สอยอยู่ในกรอบของเหตุผลความถูกต้องดีงามทั้งหมดจึงมองเห็นทรัพเป็นภาระปูกพันธุที่จะพันธนาการตัวเองให้ติดโลกไว้เพราะจึงมีจิตคิดสลัดออกจะแนวของสุมเมตมานบนั้นสลัดออกในรูปของการออกบุ ก็มุ่งไปสู่ความเป็นพรหมมีการผ่อนคลายความค้องติดในการมาคุณลงไปแต่ก็พอใจติดใจในรูปฌานที่มีความสงบประนีตเก็แสดงว่ายังติดจักข้องอยู่เตอแนวอีกหนึ่งนั้นเป็นแนวอย่างที่พระธรรมธินาเทรีซึ่งเคยเล่าประวัติมาแล้วว่า วิสาขาอุบาสกซึ่งเป็นสามีของท่านนั้นไปฟังธรรมะในสำนักของพระพุทธเจ้าบรรุมรคลเป็นพระนาคามีบุคคลพระนาคามีนั้นเป็นชาวบ้านเป็นจำนวนมากแต่กิเลสท่านไม่มีการมราคะความรู้สึกทางเพศไม่มีความต้องการทางเพศไม่มีโทสะความรู้สึกโทสะไม่ใช่พูดหยาบหยาบคือพูดเบาเโทสะความกระทบกระทั่งความบุบห ง, งิดความรำคาญก็ไม่มี แต่ถ้าไปอยู่เป็นคารวาสได้ก็อยู่ที่บ้านได้มีทํานองคล้ายๆกับคารวาสสมุนีคือมุนีที่อยู่ภายในบ้านแต่จะไม่เกี่ยวข้องโดยกามคุณทั้งหลายเมื่อท่านกลับมาถึงบ้านก็ไม่แสดงอาการยินดีในการต้อนรับในการดูแลของนางธรรมธินาซึ่งเป็นพันยา แล้วก่าวมอบทรัพย์สมบัติให้ทั้งหมดตจนนี้ลองสังเกตว่าจิตใจของบุคคลที่ได้ฟังเรื่องเดียวกันแต่พื้นฐานจิตที่แตกต่างกันจะมีความรู้สึกตัวสิ่งนั้นไม่เหมือนกันถ้าคนมากไปในความโลภ ก, ก็จะปรื้อปีติยินดีเป็นการใหญ่เพราะนิ่งๆก็เรียกว่าบุญหล่นทับ แต่นางกลับมองทรัพสมบัติเหมือนน้ำลายที่สามีโถมลงบนศีรษะและต่อว่าท่านวิสาขาวาสุกการที่ท่านพูดเช่นนี้เหมือนกระถ่มน้ำลายลงบนศีรษะของท่านจะไม่รับน้ำลายของท่านแต่จะให้ก็ขอให้บวชให้กันขออนุญาตให้บวชนี่แสดงว่ามีจิตคิดสลัดออกแล้วไม่คล่องติดแม้ในกามะพกุก แม้ในรูปประคบแล้วก็แม้ในอรูปประคบวัตุ ก, กรรมทั้งหลายจึงมีอยู่เฉพาะเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยแต่ทุกลำดับขั้นตอนนั้นจะมีการสแสวงหาที่ท่านเรียกว่าอริยะปริยสนาคือการสแสวงหาอย่างปริสุทสุดสิ่งที่สแสวงหานั้น เมือ่อลราวโดยสรุปมันจะมีอยู่สองประเภทประเภททั่วไปนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนมีการแปรเปลี่ยนแปลงแปรแ ป, ร ป, รปวดไปดังนั้นพบทั้งหลายเป็นกรารมาพบสัตว์ที่ยังเกี่ยวข้องด้วยกิเลสกรรมในวัตถุกรรมทั้งหลายอยู่ก็ดีรูปพบจิตใจที่มีความสงบประนีตขึ้นอยู่ด้วยฌานก็นดี รูปภพที่อยู่ด้วยรูปภัณฑ์แล้วก็เลยไปจนถึงระดับที่เรียกว่าสุดถาวราคือที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ก็ดีก็คือภพภพก็คือของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาทั้งความคิดอย่างพระธรรมทินาเถรีหรือความคิดอย่างพระยศที่มองเห็นโลก ซึ่งท่านร่ำรวยมั่งคั่งหมหาสารเช่นเดียวกับท่านสุมเรรมตมานกแต่มองเห็นทุกอย่างเป็นซากศพเหมือนคนเอาซากศพ ม, มาปลูกบัดนไว้ที่อรู้สึกขยะขยังรังเกียจต้องหนีนั้นแสดงว่าอวิชามันจางไปเยอะโลภะแม้ในภพที่ปรณีตมากๆก็ไม่มีเมื่อโลภะไม่มีโทสะมันก็ไม่มี โลภะโทสะนั้นก็เกิดขึ้นด้วยกันมันลักษณะคล้ายๆกับกิริยาปฏิกิก ร, ร, ริยาแค่แค่กระป๋าบอลเข้าฝาผนังาปาแรงก็เด้งกลับมาแรงปาหนาะเบาโๆก็เด้งกลับเบาๆให้เราสังเกตว่าอะไรที่เราโลภะมากเนี่ยโทสะจะมากอะไรที่โทสะเรามากเนี่ยทําให้โลภะมันมาก เั้งสองอย่างนั้นก็แสดงว่าโมหะเสือวิชาเป็นมากความเส้นทางชีวิตที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดเป็นการแสดงถึงความเข้มข้นของโลภะโทสะโมหะที่จางขึ้นไปจางไปจางไปจนขจัดโลภะโทสะโมหะได้ทั้งหมดตพระธรรมธินาถเถรีเมื่อออกบวชมันเปลี่ยนเปียนไม่นานแล้วก็บรรลุผลเป็นพระขันธ์ หรืออย่างยศสะคุลาบุตออกไปพบพระพุทธเจ้านั่งครั้งเดียวไม่ต้องลุกอีกก็บรรลุมรผลเป็นพระหันไปแล้วนั้นแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มการลดของของกิเลสมันอยู่ที่การมองโลกมองชีวิตมองสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป